รักษาตนนะถ้าเราคิดว่าเราเป็นผู้ที่รักตนเนี่ยก็ต้องรู้จักรักษาตนให้ดีเพราะว่ารักษาตนเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ว่าให้มีสุขภาพดีมีงานการมีเงินใช้จะรวมถึงการดูแลรักษากายวาจาใจให้ เป็นปนในทางที่ถูกต้องพูะพุทธเจ้าจัดว่าเนี่ยผู้ที่รู้จักสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนเพราะว่าสารวมเนี่ยมันก็มีความหมายไปนในเชิงธรรมะไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของการมีกินมีใช้มีการนมีทองสารวมกายวาจาคือมีสีนั่นเอง สี่นี่มันก็เริ่มต้นโดยการไม่เบียดเบียนผู้อื่นแเราขยายไปสู่การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่นสำรวมใจเนี่ยมันก็คือการรู้จักรักษาใจไม่ให้กีรย์ครอบงำไม่คิดไปในทางโลภะหรือโทสะหรือคิดลบคิดร้ายมุ่งเบียดเบียนผู้อื่น การทำเช่นนี้ได้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าช่วยป้องกันความทุกข์นะไม่ให้เข้ามารบกวนรังควานชีวิตของตัวเองจะเรียกว่ามันเป็นกำแพงกันนะเป็นปราการป้องกันความทุกข์ความดีนี่แหละความดีทางกายวาจาแล้วก็การความดีทางจิตใจแต่ว่า ไม่ว่าจะทำความดีแค่ไหนมีศีลมั่นคงไม่ด่านพลอยเพงใดเนี่ยหรือแม้จะฝึกใจไม่ให้คิดลบคิดร้ายหรือว่ามีโลภครอบงำมันก็ยังมีความทุกข์เกิดขึ้นได้นะความทุกข์จากความพัดพากสูญเสีย จากงานการที่ไม่สำเร็จไม่สมหวังจากความเจ็ความป่วยจากความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานไอ้พวกนี้มันเป็นทุกที่เกิดขึ้นได้นะกับทุกคนนะไม่เป็นแม้กระทั่งคนที่รู้จักสำรวมกายวาจาแล้วก็ใจ แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องรู้จักนะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไปด้วยพยายามที่จะพาจิตออกจากความทุกข์ม่มันจะป่วยกายก็ให้มันหยุดแค่ น, นั้นนะใจไม่ป่วยจะสูญเสียทรัพย์นะก็เสียแค่ น, นั้นใจไม่เสีย ในการรับมือความทุกข์เนี่ยนะในเมื่อมันความทุกข์เป็นสิ่งที่เราหลีกที่พ้นเนี่ยเราจะทําอย่างไรการรักษาตนเนี่ยมันยังมีความหมายถึงการที่เรารู้ทุกข์ด้วยนะทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะอันนี้พระเจ้าท่านตรัสเอาไว้ ในอริสัตยสีซเนี่ยึงประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้หรือกำหนดรู้ความหมายหนึ่งเนี่ยคือว่ารู้ว่าทุกเนี่ยมันได้แก่อะไรบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องของความจำก็ได้เรื่องการเรียนรู้เรื่องการอ่านการฟังแต่ว่าที่สงคัญก็น้าคือว่าพอมีทุกแล้วเนี่ยเราก็รู้ นย่าน้อยๆเนี่ยก็ต้องรู้ว่าทุกข์มันเกิดที่ไหนเกิดกับอะไรดูเหมือนง่ายนะแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะให้การรู้ทุกข์เนี่ยคนหลายคนเนี่ยเจอทุกข์แต่ไม่รู้นะไม่ต้องดูอื่นไกลนะทุกข์กายเนี่ย เดี๋ยวนี้มีคนจนไม่น้อยเลยนะที่มีอาการปวดปวดคอปวดนิ้วนิ้วล็อกแล้วก็เป็นหนักด้วยเพราะว่านั่งอยู่หน้าคอมนานๆอาจจะเป็นเพราะว่าทำงานในออฟฟิศที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งวันหรือว่าเล่นไอแพดใช้โทรศัพท์มือถือ ในการเล่นโซเชียลมีเดียดูหนังฟังเพลงัวลาหลายชั่วโมงติดต่อกันและที่เป็นนี่ก็เป็นกันเยอะนะเป็นแล้วก็หนักด้วยปวดคอแล้วก็ร้าไปถึงแขนขาที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งปวดนะอาการแบบนี้เนี่ยเป็นมาหลายวันือเป็นเดือนแล้วก็ได้ แต่ทําไมเนี่ยปล่อยให้มันลุกลามขนาดนั้นจนกระทั่งบางคนนี่ต้องไปทำกายภาพบาบัดนานเป็นเดือนๆ เ, เลยที่ปล่อยให้มันลุกลามเนี่ยเพราะว่าไอ้ตอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นใหม่ๆ ห, หรือว่าเกิดขึ้นไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเจ้า ต, ตัวไม่รู้นะไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่มีความปวดนะมันมีความปวดปวดคอ คอเกร็งนิ้วก็เริ่มเกร็งอาการเนี่ยมันมีมาเป็นระยะระยะแล้วแต่ว่าเจ้าตัวไม่รู้มารู้เนี่ยก็ตอนที่มันอาการหนักแล้วและส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะเหตุนเนี่ยอันนี้มันแสดงว่าเนี่ยแม้แต่ทุกกายนะเกิดขึ้นแล้วยังไม่รู้เลยอายเป็นเพราะว่า มัวจดจ่ออยู่กับงานการหรือว่าใจนี่มันไปมัวอยู่กับโซเชียลมีเดียก็เลยไม่รับรู้ความทุกข์ทางกายที่เกิดขึ้นก็เลยอยู่ในอิเรบทนั้นไปเรื่อยๆเป็นเดือนต่อเมื่ออาการมันหนักเนี่ยถึงค่อยรู้ ถาหว่ารู้ทุกข์ตั้งแต่แรกนะหรือตั้งแต่มีอาการแต่เนินเน่นๆเนี่ยไม่ปล่อยให้มันลุกลามจนอ า, อาการหนักขนาดนั้น น, ะนี่เรียกว่าทุกข์เกิดนแต่ไม่รู้ฉะนั้นที่เป็นทุกข์กายนะน้าภาษาเลยกัทุกข์ใจนะทุกข์ใจเนี่ย คนจำนนไม่น้อยเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมายังไม่รู้เลยนะอย่างคนที่นั่งฟังธรรมะนานๆหรือว่านั่งปฏิบัตินะนานๆเนี่ยหลายคนนก็บอกนะว่าโอ้ยมันปวดขานะเมื่อยหลังนะ อันนี้รู้อยู่แต่พอถามว่านอกจากทุกข์กายแล้วเนี่ยมีทุกอย่างอื่นอีกไหมหลายคนบอกไม่มีนะแต่พอจี้ลงไปนะถามว่าแล้วใจอ่ะมันทุกข์ไหมมันมีความหงหุดหงิดไหมมันมีความกังวลไหมหรือว่ามันบวยวายตีโพีพายไหมเพราะว่านั่งนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้ว หลายคนเนี่ยในใจเนี่ยมันก็บวยวายนะเมื่อไหร่จะเลิกซื้อทีนะฉันปวดขาเต็มทีแล้วหรือว่าฉันปวดเบาวเต็มทีแล้วเมื่อไหร่อาจารย์จะปล่อยให้ฉันลงไปเนะข้าห้องน้ําหรือไปพักอรือไปบทสักทีไม่มีเสียงบนอย่างนี้อยู่ในใจนะซึ่งมาสะท้อนถึงความหงุดหงิดหรือความทุกใจ แต่หลายคนเนี่ยไม่รู้นะไม่รู้ว่ามีความทุกข์ใจไปคิดแต่ว่าปวดขาปวดแข้งนะคือทุกข์กายเนี่ยทุกข์ใจเกิดนะแต่ไม่รู้นะ ท, นนทั้งด้าที่มันแสดงอาการนะหงุดหงิดวิตกกังวลวิตกว่าเนี่ยถ้านั่งนานกว่านี้เดี๋ยว แข้งขาฉันแย่แน่ๆแต่ทั้งที่มันเกิดทุกข์ใจขึ้นมากลับไม่รู้ไม่ใช่แค่ความหงุดหงิดนะหรือว่าความกังวลบางทีความกลัวเกิดขึ้นก็ไม่รู้นะเขาเคยเขาเคยมีนักวิจัยคนหนึ่งเนี่ยนะทางด้านสมอง อยากต้องการที่จะศึกษาว่าเนี่ยคนเนี่ยเวลามีความกลัวเนี่ยมันมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้างที่สมองก็ให้อาส า, าสมัครเนี่ยมาดูพวกวิดีโอที่มันบาดเสียวอุบัติเหตุฆาตกรรมภัยธรรมชา ต, ต, ต, ต, ต, ต, ติมีคนตาย แล้วาก็าวัดการเต้นหัวใจแล้วก็วัดการทา ง, งานสมองมผิวเงนิน่งเนี่อาการทา ง, ทางการเนี่ยมันแสดงออกมาหัวใจเต้นเร็วความดันขึ้นนะซึ่งแสดงว่าเธอมีความกลัวมากนักวิจัยก็เลยบอกให้หยุดนะหยุดการทดลองพอหยุดการทดลองเนี่ยผิวเงินนัถามว่า หยุดทำไมฉันไม่เป็นอะไรฉันโอเคฉันปกติดีแต่ที่จริงเนี่ยเธอกลัวนะกลัวเนะี่ยมันฟ้องนะร่างกายเธอมันฟ้องหัวใจเต้นเร็วนะความดันขึ้นจนกระทั่งนักวิจัยต้องบอกให้หยุดไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาขนาดกลัวมากนะแต่เจ้าตัวไม่รู้ ยังปากแข็งแล้วยิงยืนกาว่าฉันไม่เป็นอะไรฉันโอเคอันนี้เรียกว่ามีทุกข์ใจก็ไม่รู้นะก็ขนาดทุกข์กายเนี่ยยังไม่รู้เลยเนี่ยไอ้ทุกข์ใจก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่อันนี้นอกจากรู้ทุกข์แล้วนะซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเนี่ยเราก็ควรจะรู้เหตุแห่งทุกข์ด้วย อันนี้มันเป็นความรู้พื้นฐานนะที่เราเรียนจากอริยสัจสีเนี่ยทุกข์แล้วก็สมุทัยสมุทัยคือแห่งทุกข์เราจะแก้ทุกข์ได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าแห่งทุกข์คืออะไรนะแต่ว่าคนเวลามีความทุกข์เนี่ยกลับไม่รู้นะว่าแห่งทุกข์คืออะไร หรือว่ารูปแบบผิดๆอย่างมีคนจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยตอ้ที่เขาก็มีเงินมีทองนะแต่เขาก็ไม่มีความสุขเขายังมีความทุกขอยู่แล้วเขาคิดว่าที่เขาทุกเนี่ยเป็นเพราะมีเงินไม่พอ เขาเลยพยายามหาเงินมากขึ้นมากขึ้นได้เงินมาก็ดีใจแต่ไม่นานเนี่ยก็กลับมาทุกข์ใหม่เขาคิดว่าเนี่ยสงสัยยังหาเงินมาได้ไม่พอก็เลยดิ้นรนหามาอีกก็เป็นเช่นนี้เรื่อยไปนะแต่ก็ไม่เคยมีความสุขหรือมีความพอใจสักที ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าแท้จริงเนี่ยไม่ใช่เ้ามีเงินไม่พอนะแต่เขามีความสงบไม่พอต่างหากสิ่งที่ขาดไปเนี่ยไม่ใช่เงินไม่ใช่ทรัพย์สมบัติแต่คือความสงบหลายคนเนี่ยพอได้มาทําสมาธิพอได้มาฝึกจิตให้รู้จักความสงบเนี่ย พบคำตอบเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่วาวุ่นกระวนกระวายกระสับกระส่ายเนี่ยมันไม่ใช่เพราะมีเงินไม่พอหรือว่ามีเงินน้อยออกว่าคนอื่นแต่เป็นเพราะว่าใจเนี่ยมันขาดความสงบจิตใจมันหยหาความสงบนี่เราจะพูว่าคนจนไม่น้อยเนี่ยนะ ก็ยังคิดว่าเนี่ยที่ฉันทุกข์เนี่ยเป็นเพราะว่าฉันมีเงินน้อยไปฉันมีเงินไม่พอแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเพราะขาดความสงบต่างหากจริงอย่าว่าแต่ความความทุกข์ใจเลยนะเวลามีความทุกข์กายเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ยังไม่รู้นะว่าไอ้ที่ทุกข์กายเนี่ยเพราะอะไรอะไรเป็นสาเหตุ บางทีก็เข้าใจไปผิดๆอย่างมีแพทย์เนี่ยประจำบ้านเนี่ยที่เราเรสซิเดนต์เนี่ยในโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลเลยพวกนี้ทำงานหนักมากเพราะว่าคล้ายๆเป็นลูกมือของแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมีอะไรก็ให้ แพทย์ประจำบ้านเนี่ยจัดการแลวแพทย์เหล่านี้เนี่ยทำงานวันละหลายชั่วโมงนะสิบแปดชั่วโมงบางทีเกือบยี่สิบชั่วโมงคือแทบไม่ได้นอนเลยต้องเฝ้าไข้ต้องดูแลคนไข้บางทีมีคนไข้ฉุกเฉินมาก็เป็นหน้าที่แพทย์ประจำบ้านหมอใหญ่เนี่ยเขาไม่มาต้องให้แพทย์ประจำบ้านจัดการ บางทีทำงานน่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนนี่หลายวันเลยติดต่อกันแล้วบางทีกว่าจะเลิกนะกว่าจะเสร็จสัพนะดูแลคนไข้ได้ก่อนตีสตสีหลายคนเนี่ยจะมีการทุกข์มากเลยแต่เขาคิดว่าที่เาอาการเขาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาหิวไม่ใช่เป็นเพราะอดนอนดงนั้นพอพอเลิกเวรหรือว่าพอ ดูแลคนไข้เสร็จเนี่ยกะดึกเนี่ยก็จะตรงไปกินอาหารไปไปลงอาหารทันทีเลยไปหาของกินเพราะที่ว่าเนี่ยอาการของเขาเนี่ยที่ทุกเนี่ยเป็นเพราะว่าหิวแต่ที่จริงเนี่ยเป็นเพราะเขาเหนื่อยล้าเพราะไม่ได้นอนมากกว่าอันนี้ก็เรียกว่า ไม่เข้าใจนะ <_ an> เหตุแห่งทุกข์คืออะไรนี่ขนาดทุกข์กายนะถ้าทุกข์ใจนี่แส่งทุกข์นี้ย่อมก็ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่หรือว่ามองไปผิดที่ผิดทางผึกผิดฝาผิดตัวที่จริงเนี่ยความทุกข์สำคัญอันนึงที่เกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนมากหรือท่าทุกคนเลยก็ว่าได้นะคือความทุกข์ ที่ได้แก่ความโศกความเศร้าเมื่อสูญเสียคนรักหรือเมื่อสูญเสียของรักเนี่ยเวลาคนรักล้มหายตายจากจะเป็นพ่อเป็นแม่จะเป็นสามีภรรยาจะเป็นลูกหลานนิสายผู้คนเนี่ยจะมีความโศกเศร้ามากและแทบจะร้อยทั้งร้อยเลยนะคิดว่าทุกเนี่ย ในความโศกเศร้าเนี่ยเป็นเพราะความสูญเสียพัดพราาแต่ที่จริงไม่ใช่นะเป็นเพราะเข้าไปมีความยึดมั่นถือมั่นกับคนหรือสิ่งของเหล่านั้นต่างหากคนเราแม้จะรู้ว่าทุกแม้จะรู้ว่าเศร้าโศกเนี่ยแต่ว่าพอไปมองว่าหรือไปเข้าใจว่า ทุกเนี่ยเพราะสูญเสียพัดพลางเนี่ยมันก็จะพาเราไปหาทางออกแบบหนึ่งซึ่งบางทีมันเป็นทางออกที่ติดตันเพราะว่าความสูญเสียพัดพลางเนี่ยมันไม่มีใครหนีพ้นแต่ถ้าเกิดเราตระหนักว่าเราพบว่าที่จริงความโศกความทุกข์เนี่ย มันเกิดขึ้นจากความยึดติดถือมั่นในคนหรือสิ่งของเนี่ยเราจะพบทางออกเลยนะก็คือว่าให้ลดหรือคลายความยึดมั่นถือมั่นลงตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญนะที่คนทั่วไปเนี่ยไม่เข้าใจเราไม่สามารถที่จะหลีกหนี ความสูญเสียได้แต่ว่าเราสามารถที่จะลดละหรือวางความยึดมั่นถือมั่นได้ตรงนี้แหละหน้าที่คำสอนของพุทธเจา้าเนี่ยมันเป็นทางออกให้กับผู้คนแต่ถ้าส้าเกิดว่าเราไม่ไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็จะอยู่ ด้วยความทุกข์ทรมานเพราะว่ามันต้องเจอความสูญเสียพัาดพราดครั้งแล้วครั้งเล่าและบางทีก็อาจจะผ่านไปโกรดคนนั้นคนนี้โดยเพราะเวลาสูญเสียของรักเนี่ยสูญเสียของรักเช่นเงินทองทรัพย์สินเนี่ยก็จะไปโทษ คนนั่นคนนี้ว่าทำให้เราต้องสูญเสียพัดพลาดสิ่งนั้นไปไปคิดว่านั่นคือเหตุแห่งทุกข์แต่ที่จริงเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นเช่นเดียวกันนัเวลามีคนมาต่อว่าด่าทอแล้วเราเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยเราก็มักจะเข้าใจว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยก็คือไอ้หมอนั่นที่มันด่าเรา แต่ที่จริงเนี่เหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ในใจเราคือการที่เราไปยึดติด ถ, ถือมั่นกับคําพูดของเขาหรือไปปรุงตัวกูขึ้นมารับคําด่าของเขาไม่มีหลายคนที่เขาพูดจาสดประมาเราแต่พอเราไม่ถือสาเราไม่ทุกข์เลยเช่นมีคนบ้านเนี่ยมาว่าเรา แต่ทำไมเราไม่ทุกข์นะก็เพราะเราไม่ถือสาเขาเราไม่เอาคําพูดของเขาเนี่ยมาเป็นอารมณ์แต่ที่บางคนเนี่ยนะพอเขาว่าเราแล้วเราโกรธเราโมโหเนี่ยเป็นเพราะเราไปถือสาขับคําพูดของเขาหรือไปเอาตัวตนไปรับคําพูดก็เลยรู้สึกถูกกระแทกการที่คนเราเนี่ยมองเหตุแห่งทุกข์เนี่ยผิดพลาดคลาดเคลื่อนเนี่ย มันก็ทําให้เราเนี่ยหาทางออกหรือแก้ปัญหาซึ่งบางครั้งเนี่ยทำให้รุนแรงมากขึ้นเช่นเขาด่าเราเราโกรธเราทุกข์เราก็เลยด่ากลับหรือบางทีก็ไปทำลายเขาเพราะไปเข้าใจว่านั่นคือแห่งทุกข์แต่ไม่ได้ตระหนักว่าแห่งทุกข์ที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจของเรา พูดง่ยายๆคือวางใจผิดถ้าเรารู้ว่าเหตุแห่งทุกเนี่ยนะก็คือการที่เราวางใจผิดเนี่ยทางออกคืออะไรทางออกก็คือว่าวางใจให้ถูกนะไม่ถือสาหรือว่าไม่ไปยึดติดถือมั่นนะกับคําพูดของเขาไม่เอามาเป็นอารมณ์ไม่เอาคำพูดของเขาเนี่ยมาทิ่นแทงใจซ้ําแล้วซ้ําเล่า นั้นเวลาเราเรียนเรื่องอริยสัจสีเนี่ยทั้งๆ ท, ที่เรารู้นะว่าทุกเนี่ยเกิดจากสมุทัยเนี่ยแต่ว่าบ่อยครั้งเนี่ยพอมีความทุกข์แล้วเนี่ยเรากลับมองสายเหตุแห่งทุกข์เนี่ยผิดพลาดคลาดเคลื่อนผิดฝาผิดตัวซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคือมองออกไปข้างนอกว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ ของเราแต่ไม่ได้มองว่าที่ใจจริงเนี่ยเหตุแห่งทุกข์อยู่ที่ใจของเราอยู่ที่การวางใจผิดอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นและอะไรทำให้เรามองไม่เห็นว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไรทให้อะไรทำให้เราเนี่ยไม่ตระหนักว่าเหตุแห่งทุกข์อยู่ที่ใจเรามากกว่าอยู่ที่ข้างนอกก็เพราะเราไม่ค่อยชอบใคร่ครวนหรือใคร่ครวนไม่เป็นโดยเพราะถ้าว่าเรา ชอบส่งจิตออกนอกเนี่ยมันก็ง่ายที่จะไปมองว่าเนี่ยปแปรแห่งทุกเนี่ยอยู่ที่ข้างนอกอยู่ที่เศรษฐกิจอยู่ที่การเมืองอยู่ที่ผู้คนอยู่ที่ดินฟ้าอากาศอยู่ที่คําพูดของเขาอยู่ที่การกระทําของเขาแต่ถ้าเราหันมันมองตนนะดีสติและรู้จักใคร่ครวญเนี่ยในที่สุดเราก็จะพบว่าปแปรแห่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเรา แต่จะเห็นอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการที่เราฉลาดเรือวัยในการรู้ทุกข์นะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราผู้คนเนี่ยไม่ค่อยรู้ทันความทุกข์เมื่อมันเกิดขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวว่าแต่ทุกใจเลยนะทุกกายก็ยังไม่รู้ปล่อยให้มันลุกลามแล้วจึงค่อยรู้ตัวอย่างที่พูดไปตอนต้นนะต้องมันมีสติต้องมันมองตนอยู่เสมอนะหรือมันมีความรู้สึกตัว ถ้าเราทำอะไรเนี่ยเช่นเวลาทำงานเนี่ยเรามีมีสติมีความสึกตัวเวลาเรานั่งหน้าคอมนานๆเนี่ยเราก็จะรู้เลยนะว่ามันเริ่มมีอาการปวดมีอาการตึงที่คอล่ะเราจะรู้เร็วเราจะรู้ไวแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีความสึกตัวนะมันก็จะปล่อยให้ความทุกข์ทางกายเนี่ยลุกลามไปเรื่อยๆจนบางทีเด้งไปเลย นี่ขนาดทุกข์กายซึ่งเห็นชัดกว่ายังไม่รู้เลยนะแล้วนับภาษาอะไรกับทุกข์ใจแล้วยิ่งเหตุแห่งทุกข์ด้วยแล้วเนี่ยยิ่งมองไม่เห็นยิ่งพาเราเข้ารกเข้าพงไปเลยเอาคำนี้พูดท่นนี้นะ